ยี่สิบสามสิบปีนะพ่อสอนเพื่อนไว้กลุ่มเวลาไปหาครูบาอาจารย์พากันนั่งรถตู้ไปท่านก็ตื่นเต้นนะว่าไปรวมกันมาได้ยังไงพวกท่านส่วนใหญ่ก็คือจิตตื่นขึ้นมาแค่นั้นเองนะหายากแล้วนี่ถ้าท่านมาเห็นพวกเราตอนนี้ท่านต้องตื่นเต้นกว่านั้นอีก <laughs> พวกเราแยกธาตุแยกขันได้เนี่เยอะแยะเลย มันไม่ยากคนที่แยกได้แล้วรู้สึกไหมไม่ยากไม่ได้ทำอะไรมันก็แยกแยกเองคนไหนแยกไม่เป็นก็ยังยากอยู่เหมือนขับรถเป็นแล้วไม่ยากขี่จักรยานเป็นแล้วก็ไม่ยากขี่ยังไม่เป็นก็ล้มเรื่อยๆมันยากตอนแรกๆหรอกไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยมันก็ไม่ยาก ส่วนทอนผูนะแกเขียนกรอนไหมจะเรียนร่ำทําอะไรไม่ลําบากยอดยากอย่างเดียวเกี่ยวผู้หญิงแกรู้สึกเกี่ยวผู้หญิงยากแกด้ เ, เกี่ยวทุกวันสุดท้ายแกเก่งเลยไหมไม่ยากอะไรที่ไม่เคยทําแล้วมันยากแล้วเคยทําแล้วมันไม่ยากการภาวนานก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกอดทนนิดนึงตอนจุดตั้งต้นนะลําบากนิดนึงอดทนใจเย็น ค่อยๆหัดสังเกตไปใจของเราคอยหนีไปคิดเราคอยรู้ใจหนีไปคิดเราคอยรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆพอใจหนีไปคิดเรารู้ทันนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่ก่อนหลวงพ่อชมคนไหนว่าตื่นนะก็ไปลือนะว่าได้โสดายังไม่ได้เริ่มวิปัสนาเลยตื่นนะนะก็เรื่องเลยตื่นก็คือจิตมันหลุดออกอย่างโลกของความคิดไม่ลงไปอยู่ในโลกของความคิด วิธีที่จิตจะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะคือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะถ้าเมื่อไรจิตหลงไปคิดรู้ทันเมื่อไรจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่ใจก็เบิกบานมีความสุขฝุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนชอบมาถามเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนนานๆถามทีหัดแรกๆทำไมมีแต่ความสุขเดี๋ยวนี้ทำไมเห็นแต่ความทุกข์ก็ถูกแล้วล่ะ หาแรกๆนะใจมันหลงอยู่ในโลกของความคิดเรื่อยๆหาความสุขไม่ได้พอรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตก็ตื่นจิตตื่นนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขผุดขึ้นมาถัดจากนั้นแล้วพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเรามาดูกายทางานดูใจทางานกายก็มีแต่ทุกใจก็มีแต่ทุกจะดูให้มันเป็นสุขไปได้ยังไงนะก็ดูไปตรงความจริง ความจริงก็มันไม่เที่ยงความจริงก็มันเป็นทุกข์ความจริงคือมันเป็นอนัตตาบางคนสอนเพียนๆนะสอนบอว่าให้ดูของสวยของงามให้อยู่กับความสุขอะไรเนี่ยก็ภาวนาบรรลุมรรคผลโธพระุทธเจ้าห้ามนะสุขพัสสัญญาไปหมายแต่ของสวยของงามสุขพสัญญาหมายแต่ของที่มีความสุขอย่างดีไม่ต่อ น, นิจจะสัญญาหมายแต่ความเที่ยง อัตสัญญาหมายแต่ความมีตัวมีตนจะใบ ป, ปรรุมักผลได้ยังไงก็ต้องหมายให้ถูกนะดูลงไปให้ถูกแง่ถูกมุมอย่างถ้าเราเห็นร่างกายก็ดูลงไปถูกแง่ถูกมุมของมันนะร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามหรอกร่างกายไม่ใช่ของสวยของงามหัดดูเวทนาก็เห็นเนะความสุขก็ไม่ใช่ความสุขจริงความสุขเป็นแค่ความทุกข์ที่ลดลงชั่วคราว ช่วงไหนมีความทุกข์แรงขึ้นมานะเราก็ว่าทุกช่วงไหนความทุกข์ลดลงเราก็ว่าสุขเหมือนนักโทษคนหนึ่งติดคุกแล้วถูกซ้อมทุกวันวันหนึ่งไม่ถูกซ้อมนักโทษรู้สึกว่าติดคุกเนี่ยมีความสุขเพราะวันนี้ไม่ถูกซ้อมเนะีความทุกข์มันลดลงก็ว่ามันเป็นความสุขพอหลุดออกจากคุกได้ก็รู้สึกว่าเออยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกในความเป็นจริงถ้าไม่มีแต่ทุกข์ล้วน ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นเองไม่ใช่มันมีความสุขงั้นถ้าเราเห็นกายนะเราก็เห็นเลยไม่สวยไม่งามจริงอย่างที่คิดหรอกเห็นเวทนาก็รู้เลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกมากกับทุกน้อยแค่นั้นเองทุกน้อยก็นึกว่าสุขมาดูจิตจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงเร็วรู้สึกไหมจิตเปลี่ยนแปลงเร็วดูจิตเนี่ยเห็นอนิจจังง่ายกว่าดูกายดูกายใช้เวลานานนะกว่าจะเห็นอนิจจัง ดูมาตั้งแต่เช้าเลยตกบ่ายนะถึงจะเห็นหน้าเหี่ยวไปหน่อยอย่างี้ดูยากถ้าอยู่ในห้องแอร์แนละ้วก็เมคอัพไว้หนาๆ ย, ยิ่งดูไม่ออกเลยแกขนาดไห น, นก็ดูไปดึงได้ตึงอีกอะไรเงี้ยมันหลอกได้หมดเลยนัน ด, ดูดูเห็นความไม่เที่ยงของกายดูยากกายมันอายุยืนแต่จิตมันอายุสั้นจิตมันอายุเป็นขณะขเท่านั้นเอง งั้นเวลาเราดูจิตเห็นอ น, นิจจังง่ายเห็นไม่เปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวล า, าเดี๋ยวสุขมากเดี๋ยวสุขน้อยเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบานะเดี๋ยวออก ข, ออกข้างนอกเดี๋ยวเข้าข้างในกลับกลอกตลอดเวลาเลยจะหาใครใจง่ายเท่าที่เราภาวนาแล้วเราเห็นของเราเองเนี่ยไม่มีหรอกใจเราวกแวกวกแวกตลอดเวลาเลยมีแต่ของไม่เที่ยงดูง่ายนะดูอนิจจังง่าย ส่วนสภาวะธรรมนะดูรูปดูนามนะก็ดูเข้าไปถึงตัวสภาวะตัวที่ดูง่ายนะั้นถ้าเดินธรรมานุปัสสนาจะเห็นอนัตตาอย่างจิตจะมีนิวรณ์หรือจิตจะไม่มีนิวรณ์สั่งไม่ได้นะโพชฌงจะพัฒนาขึ้นไปไหมจากสติใช่ไหมมีสติมีธรรมวิจยะอะไรเงี้ยมีวิริยะมีปีตินะมีสุขมีปัสสัทธนะิมีอุเบกขานะสั่งไม่ได้เลย สั่งให้ไปอุเบกขามันก็ไม่ขาด้วยนะสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่สุขด้วยสั่งให้ปีติมันก็ไม่ปิติด้วยสั่งให้สงบมันก็ไม่สงบด้วยเห็นมันแต่เรื่องสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะหรืออริยสัจเดินไปนะเดินไปปัญญาแก่กล้าจเจริญธรรมานุปัสสนาหมวดสุดท้ายเห็นอริยสัจเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทนั่นแหละจะเห็นได้มีแต่รูปนามทางานเกี่ยวเนื่องกันไปเรื่อย ไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยฉะนั้นธรรมานุปัสสนานจะช่วยให้เราเห็นอนัตตาง่ายแต่ดูจิตแล้วจะไปเห็นอนัตตาไหมดูกายแล้วจะไปเห็นอนัตตาไหมสุดท้ายมันก็ลงธรรมานุปัสสนาทุกคนแหละนะลงมาที e i mean ่เดียวกันมาเห็นอริยสัจเหมือนกันแล้วเห็นทุกอย่างไม่มีตัวมีตนมันไม่มีตัวมีตนเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวมีตนเพราะมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวมีตนเพราะมันบังคับไม่ได้ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเนี่ยเฝ้าเรียนรู้อยู่ในกายในใจนะไม่จะไปดูวันๆนะหาแต่ของสวยสวยงามมาดูแล้วบอกวันหนึ่งจะได้เบื่ออันนั้นไม่ใช่นะพระเจ้าจักรพรรดิในคำพีพระเจ้าจักร พ, พ, พรรดิมีทรัพสมบัติมากมายมีแก้ววิเศษสวยงามอะไรนี้แก้วสารพัดจะนึกไม่เห็นเบื่อเลยไม่เห็นเบื่อเลย เห็นของสวยของงามเมียท่านก็สวยนะมีนางแก้วของเราไม่ใช่นางแก้วนางแห้วนางเหี่อะไรก็ไม่รู้นะแต่ละคนขนาดท่านเห็นของที่สวยที่สุดนะกินของอร่อยที่สุดอยู่ในที่สบายที่สุดไม่เห็นท่านจะบรรลุมรรคผลอะไรเลยพวกพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าชายสิทธ า, ทาไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปขอข้าวเขากินใช้ผ้าอยู่ไม่กี่ผืนทาไมบรรลุล่นะ เงี้ไม่ใช่เสพสุขไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตเบื่อดูของสวยของงามไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตเบื่อไม่เบื่อหรอกกรรมนั่นเป็นพ่วงน้ำใหญ่ไม่มีวันเต็มเบื่อคนนี้มันจะไปหาคนโน้นแทนไ ม, มไม่เบื่อไม่เบื่อจริงอะ่ะงั้นเราอย่านอกรี้นนอกรอยนะเราดูกายดูใจดูธาตุเราดูขันเราดูในแง่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไป ดูบ่อยๆนะใจมันจะเห็นความจริงเพราะความจริงมันไม่เที่ยงความจริงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วไม่ใช่ดูเพื่อจะบิดเบือนไปโปรแกรมจิตให้เชื่อว่าจริงๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปบิดเบือนไม่ต้องโปรแกรมจิตเอาของจริงมาให้มันดูทุกวันทุกวันมันต้องเห็นนหละแต่ถ้ามวัวแต่เพลินไปดูที่อื่นดูแต่ของสวยงามที่อื่นไม่ดูกายดูใจมันก็ไปไหนไม่รอดก็หลงอยู่กับโลกนะี่เรามาเรียนรู้ตัวเองนะ เห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนไหนเมคอัพมากวันๆใช้เวลาแต่งหน้านานๆถามจริงพวกเราคนไหนแต่งหน้าแต่งตัวเกินครั้งละครึ่งชั่วโมงมีไหมมีไหมมีหนึ่งสองมีไหมมีอีกไหมมีบางคนยกอย่าดมขึ้นดมเลย <laughs> บางคนบอกไม่ไม่นับครึ่งชั่วโมงเขานับตั้งหลายชั่วโมงหลายชั่ว แค่หวีผมก็นานนะทําผมนานเสียเวลาเยอะะถ้าจะแต่งตัวนะก็มีสติไปด้วยนะอไม่เสียเวลาเปล่าหวีผมไปก็มีสติทาหน้าไปก็มีสติมันจะลดการทาลงเองอะมันรู้สึกว่าไม่สวยเลยนะหน้าธรรมชาติของเรานะพอมีสติขึ้นมานะพองผ่องอย่าว่าแต่มนุษย์จะมองเลยเทวดาอย่างอยากเห็นเลย พอว่าทาแป้งอีกเนี่ยเราค่อยภาวนานะเราไม่ใช่เป็นหลงของสวยของงามมันสวยมันงามเองมันงามด้วยตัวของมันเองภาวนาแล้วหน้าตาสดใสใครรู้สึกถามตรงๆนะไม่ไม่ใช่ว่าให้เราอวดว่าเราเก่งอะไรกันนะใครรู้สึกไหมว่าภาวนาแล้วหน้าตาเราหน้าดูขึ้นกว่าเก่ารู้สึกไหม <c oughs> มันงามงามด้วยธรรมะนะ งามด้วยสีงามด้วยธรรมงามด้วยสติงามด้วยสมาธิงามด้วยปัญญางามจริงๆเลยงามไม่จืดจางเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่ๆมากๆไหมงามไหมงามนะที่เพิ่งสิ้นเนี่ยอาจารย์มหาบัวแก่ปานนั้นนะไปอยู่ใกล้ๆท่านสิงามจริงๆเลยถ้าอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่นะกับสาวสวยนั่งอยู่พวกเราจะดูใครพวกเรานักปฏิบัติเราก็ดูอาจารย์มหาบัวใช่ไหม ถ้าพวกบ้า ก, กามมันไม่ดูท่านหรอกก็ดูนางงามสิใช่ไถ้าดูเป็นนะจะรู้เลยงามจริงจริงนะงามจากข้างในเลยงามมาจากกระดูกเลยงามมาจากเยื่อในกระดูกสวยงามไปหมดเลยท่องใสนั่นแหละงนีนเรามานะทุกคนมีโอกาสมีโอกาสที่จะสวยจะงามด้วยธรรมะมีโอกาสที่จะมีความสุขด้วยธรรมะมาเรียนรู้ของจริงมาเรียนรู้ทุกแล้วจะมีความสุข มาเห็นของไม่สวยไม่งามในกายในใจของเราไปเรื่อยในร่างกายก็มีแต่ของไม่สวยไม่งามในจิตใจก็มีแต่ของไม่สวยไม่งามกิเลสเพียบเลยรู้ไปเรื่อยนะวันหนึ่งสวยงามนะงามสุดๆเลยงามแบบเทวดายังต้องหันมามองถ้าเทวดามีจริงเ mm hmm. นะในคำพีมีนะมีพระอินทร์เนี่ยธรรมดารัศมีมากที่สดุดวันหนึ่งมีเทวดาเกิดใหม่ พระเทวดาเกิดใหม่มาเดินบนถนนนะพระอินทร์ต้องรีบเข้าปราสาทเลยทนรัศมีของเทวดาเกิดใหม่ไม่ได้รัศมีรุนแรงมากสว่างพระอินทนระ์ด้อยไปเลยพระอินทร์สงสัยมากเลยว่าเอะเราทําบุญมามหาศาลเลยนะแล้วเทวดาที่มาทีหลังนี้เขาทําบุญอะไรนะรัศมีเยอะกว่าเราอีกให้เทวดาด้วยกันไปสืบมาอ๋อเขาไปฟังพระพุทธเจ้าเทศน์มาพระอินทร์เลยมาฟังบ้างนะ นใจมีธรรมะนะงดงามทองใสอ้าวต่อไปส่งกันบ้านวันนี้เล่าแก้ง่วงไปแล้วหายง่วงยังนะเรียกว่าธรรมะภาคย่อยอาหารช่วงนี้อาหารเป็นพิษอ้าวเชิญคุณจันค่ะกราบขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะก็เมื่อเช้าก็ได้ข้อสรุปที่ปฏิบัติมา แต่ว่าภาพที่ปฏิบัติได้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนพอหลวงพ่อสรุปเมื่อเช้าก็รู้สึกชัดเจนขึ้นคือมาอยู่วัดนี่เหมือนเราปลีกจากงานประจำมาทำให้เรามีเวลาที่จะนิ่งมากขึ้นเพื่อที่จะทบทวนการปฏิบัติมากขึ้นนะคะก็เห็นว่าเห็นการปรุงแต่งการปฏิบัติ เห็นความคิดที่มันมาเป็นชุดที่มันกําหนดพฤติกรรมของคนให้เราทํากรรมทําให้เราเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างชัดเจนขึ้นว่าอ๋อชุดของความคิดนี้เองที่ผลักดันให้คนทํากรรมแล้วกรรมนั้นที่ส่งให้คนไปเกิดอก็จะเป็นรูปธรรตัชุด ข, ของความคิด น, นั่นนะก็คือความปรุงแต่งนั่นเองตัวสังขารตัวสังขารนั่นแหละตัวกรรมก็คือข้อมูลที่เรารับเข้าไปทุกวันแล้วมีการตกตะกอนโดยที่ที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันแวบขึ้นมาเราก็เอ๊ะ ไอ้เรื่องนี้มันอยู่ในอยู่ในตัวเราด้วยหรือโดยที่บางครั้งเราขาดสติเรารับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวก็ทำให้เห็นว่าพลังกรรมนี่เองที่ส่งให้เราไปเกิดจริงๆแล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาซึ่งเป็นภายนอกแต่ว่านิวเคลียสมันจริงๆมันอยู่ที่จิตที่อยู่ข้างในนั้การปรุงแต่งการปฏิบัติมันก็เป็นแค่เปลือกนอกแต่จริงๆมันคือการดาเนินจิตข้างในมากกว่าก็เลยเข้าใจที่หลวงพ่อพูดบอกว่า ปฏิบัติยังไงก็ผิดแต่ไม่ปฏิบัติผิดมากกว่าอย่าลืมนะอย่าพูดประโยคเดียวคือต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติเหมือนเหมือนกับว่ารู้ไม่ใช่คิดแต่ก็ต้องอาศัยคิดถึงจะรู้เหมือนที่พระนรนบอกว่ามีตัณหาเพื่อวันหนึ่งละตัณหามีมานะเพื่อวันหนึ่งละมานะมีทิฏฐิเพื่อวันหนึ่งละทิฏฐิก็ต้องทำนั่นแหละคแต่ทําแล้ววันหนึ่งไม่ทํำนะคี่ใคร ไม่เคยรู้จักก็รู้จักนะนี่คือคุณจันทร์นะสำนักพิมพ์ธรรมดาธรรมดาที่พิมพ์หนังสือของหลวงพ่อเกือบทั้งหมดแหละตรวจรูปเก่กทั้งคนเนี้ไม่ค่อยผิดอะ่ะบางทีหลวงพ่อเขียนไม่พอนะยังขอแก้เลยหลวงพ่อเขียนอย่างนี้ไม่ชัดเจนช่วยทําหนังสือมาตลอดค่อยสมหน่อยที่อ่านหนังสือหลวงพ่อรู้สึกหรือเปล่าถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะก็รู้สึกว่า พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ว่าก็มีขี้เกียจบ้าง <c oughs> บางครั้งนะคะก็ก็บางทีก็ก็จะเห็นว่ามันมันชีวิตมันคลายคลายไปเยอะจากที่เคยยึดอะไรมากๆ <c oughs> ชีวิตก็คลายไปเยอ ะ, ะก็คลายไ ป, <c oughs> ไปเยอะแฟนเขาบอกไหมว่าสวยขึ้นดูกระจกดูออกไหม <c oughs> <c oughs> หน้าเราไม่เหมือนเดิมก็ร <c oughs> ู้สึกว่าจิตมันแช่มชื่นขึ้น มันเป็นจิตข้างในใช่ข้างในมันฟอกข้างนอกนะฟอกกายด้วยภาวนาถ้าภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วจะรู้สึกว่าไม่ยากถ้าไม่รู้หลักนะล้มลุกรุกลานยากที่สุดเลยการภาวนาเหน็ดเหนื่อยดีก็ขอบพระคุณค่ะมาอยู่วัดทำให้ชัดขึ้นค่ะคุณกนิษฐาเอาสนหน่อยก็ปฏิบัติ ขยันนะคะแต่เพราะว่าอายุเหลือน้อยก็เนี่ยคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทนะรู้ว่าอายุเหลือน้อยอายุหนูเหลือน้อยลงไหมเหลือน้อยลงแต่ยังเหลืออีกเยอะอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกจุดหมายไปทางไกล้ไกลต้องตั้งใจไว้เลยนะไกลแค่ไหนเดินทุกวันต้องถึงยนได้ก็เอาบนทางไกล นะมันก็ยากช่วงแรกๆแหละแต่ไปทางเดินนี้ก็สะดวกสบายขึ้นเรื่อยๆ ค, ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้หัดภาวนาทีแรกเหมือนหลงอยู่ในป่ารกทึบไม่รู้เหนือรู้ใต้แดดส่องไม่ถึงพื้นเลยไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนนะคลาไปเรื่อยๆนะถูกถูกผิดผิดไปเรื่อยถ้าเดินไปถูกทางมันก็ค่อยโปร่งขึ้นโป่งขึ้นสุดท้ายก็ไปเห็นทางเดินเดินตามทางไปเดี๋ยวก็ถึง บางครั้งก็รู้สึกว่าใกล้ๆนี่แหละแต่บางครั้งก็เป็นอย่าง น, นทุกคนคใจมาบัวเขบอกบางทีนะภาวนาเหมือนบางวั น, นมักผลอยู่ใกล้ๆน ะ, ะมีวันหนึ่งหายไปหมดแ่ะเป็นอย่าง น, นทุกคนแต่มีหน้าที่ภาวนาคเท่านั้นเองทำหน้าที่ถือว่าภาวนาเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่เบอร์หนึ่งเลยนะภาวนาการหาเลี้ยงชีวิตอะไรนี้เป็นเครื่องส่วนประกอบเท่านั้นเอง ภารกิจหลักของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือมาพัฒนาจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้ลงต่ำไปการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรนะเป็นงานที่เพื่ออาศัยอยู่กับโลกชั่วครั้งชั่วคราวทำมาหากินได้เงินมาเดียดเดยเด๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็ทำอีกเดี๋ยวก็หมดไปไม่เหมือนธรรมะเนาะธรรมะสะสมเป็นสมบัติที่ไม่เสื่อมคลายเรียกว่าอริยทรัพย์ <Okay. S 1> ยังมีทานน มีศรัทธามีศีลในพวกนี้เป็นอริยทรัพย์มีสมาธิปัญญาเป็นอริยทรัพย์สะสมเอา <c oughs> วันนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ถึง <c oughs> <c oughs> ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้สึกเลยไม่ภาวนาไม่ได้โลกนี้ทุกข์เพระฉะนั้นยากลําบากแค่ไหนก็ต้องภาวนาเหมือนเราตกน้ํานะฝั่งอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไหายไ้ก่อนล่ะ ถ้าไม่ไหวก็จมน้ําไปอะต่อไปก็วันนี้มีแรงกว่าเมื่อวานเนี้อะค่ะอืมก็ดีค่ะ ก, ะก็ที่หลวงพ่อบอกว่ามันภาวนาได้บ้างภาวนาไม่ได้บ้างเลยเนี่ยเหมือนหนูภาวนาไม่เป็นเดือนหนึ่งจะเป็นสักสองสาครั้งอะคะ่ะนอกออนั่นเหมือนลองผิดลองถูกเออมันคิดมากลองมากมันก็ผิดมากค่ะรู้สึกตัวไป ร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกก็ไม่ผิดหรอกก็รู้สึกอย่างที่มันเป็นจะผิดได้ไงเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงค่ะแต่หนูยังแทรกแซงอยู่แน่นอน <c oughs> และบางทีก็แบบว่าแบบนี้มันยังไม่ถูกต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะ, ะใจมันหลอกเราเราให้เราดิ้นรนไปด้วยให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเพราะงันง่ายที่สุดเลยสงสัยขึ้นมารู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ ดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจนั่งดูไปเรื่อยสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้โลภโกรดหลงก็รู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้ใจเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้ไปเรื่อยไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีไม่ใช่รู้เพื่อเอาความสุขไม่ใช่รู้เพื่อเอาความสงบเพราะความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยงเราจะเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เรามารู้กายรู้ใจเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพื่อเอาความจริง ให้เห thing, forward, like ็นในทุกอย่างที Politics ่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข really ์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนวันหนึ่งใจเรายำรับความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราจะเข้าใจธรรมะความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงระเริงเรารู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่าชั่วคราว กุศลเกิดขึ้นก็ไม่ย่ำใจว่าฉันเป็นคนดีรู้ว่ามันชั่วคราวอากุศลเกิดขึ้นก็รู้ทันมันมันครอบงําจิตใจไม่ได้แล้วเห็นมันมาแล้วมันก็ไปเห็นกิเลสนะเหมือนกิเลสของคนอื่นแนละ้วเราไม่เกี่ยวหรอกเราไม่ได้ถูกกิเลสลากออกไปนะเป็นอิสระจากกิเลสก็ฝึกไปเรื่อยอสบายมีความสุขอ หนูจะคิดนำไปบ้างอะค่ะว่าบางทีมันอันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนหนูคิดนำไปบ้างหรือหนูคิดนำไปมากไปหลังหลังเริ่มมากค่ะเอานะเอาคิดนำไปบ้างนะคิดนำไปมากไม่เอาค่ก็ดูไปความรู้สึกในใจเนี่ยทุกคนรู้เป็นอยู่แล้วเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นพวกเราคนไนไม่รู้จักความรู้สึกทางใจไม่มีหรอก โกรเป็นยังไงพวกเราก็รู้ใช่ไหมโลภเป็นยังไงเราก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้ดีใจเสียใจสุขทุกข์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลัวเป็นยังไงกังวลเป็นยังไงอิจฉาเป็นยังไงรู้หมดเลยเราแค่ว่าความรู้สึกในใจเรามันเป็นยังไงเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปตอนนี้มันโลภแล้วดูไปมันหายโลภและไม่ว่ามันไม่ใช่ดูเพื่อให้หายโลภ แต่ดูเพื่อให้เห็นเลยความโลภมาก็ชั่วคราวท่า น, นัเดี๋ยวก็ไปทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูอย่างนี้บ่อยๆก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมากับะรวมพ่อเมือม่อวันมามาอยู่วะเมื่อก็นี้เออไว้ผ้าสดมอญรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับอ่ม ตีตีหนึ่งยังยังนองไม่หลับเลยขึ้นมาลงจงกรมออเราบางลังเรารู้สึกใจกมันไม่คยไม่ค่ยมั่นะใจมันมันมันยัางไงาไม่รู้ไม่ค่ยมั่นของไม่เป็นไรไงหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าใจจะต้องเป็นยังไงหลวงพ่อแค่บอกว่าใจเป็นยังไง ร, รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละ อ, อค่ะใจไม่มั่นคงรู้ว่าไม่มั่นคงเห็นไหมใจเป็นของบังคับไม่ได้ สั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้สั่งให้มั่นคงก็ไม่ได้เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับอะไรก็ไม่ได้อค่ะดูอย่างนี้เรื่อยๆเจอตุ๊กแก่ไหมเจอค่ะกลัวไหมตุ๊กแก่ไม่กลัวแต่กลัวความมืดมากกว่าอ้เนื่งแยกแยะเหมืนมืดจีะความมืดน่ารักนะใครเคยรู้สึกถ้าเคยอยู่ตาอยู่อะไรนะมองไปข้างนอกไม่ได้มืดมืดไม่ได้ป่ามืดน่าดูสวยงามค่ะ คนกรุงเทพน่าสงสารอยู่กับความสว่างไม่เห็นความงามของความมืดนะในความมืดนี่งดงามมากผีก็ดุขึ้นอะไรก็เนี่ยฝึกจิตดีมากเลยขอบคุณงานหลวงพ่อ <c oughs> ไปอยู่หลวงพ่อก็เกิดกรุงเทพตกกรุงเทพนะพอ บ, บวชแล้วไปอยู่วัดบั้นนอกโอ้โหดาวดวงย้ายใหญ่รู้สึกนดาวดวงโตจช่คนกรุงเทพไม่เคยเห็นนะ อ่ะต่อไปใครมีความจำเป็นขอจำเป็นนะไม่ใช่โลภนะอ้าวเบอร์สี่คำนักสการหลวงพ่อครับส่งกระบ้านครั้งแรกครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตั้งมันครับแล้วก็บางทีเห็นความคิดมันวิ่งไปแล้วชอบดึงมากดที่ลมหายใจมันทตือนตืครับมันวิ่งไปแล้วมันกลับมาที่ลม มเตทลงจแล้วมันตื้อๆไอ้นั่นเพราะว่าเราไปดึงคืนมาะถ้ามันหนีไปเราแค่รู้เฉยๆเราไม่ไปดึงจิตคืนมาจะไม่ตื้อหรอกต้องต้องรู้ให้บอกคุณนี่ใช่ไหมครับพรอาจารย์ให้รู้รู้รู้ว่ามันหนักก็แล้วกันะเดี๋ยวมันค่อยเบาเองอ่ะพอชานาญแล้วมันเบาเองอ่ะถ้าพยายามไปทําให้เบาไม่เบาหรอกเดี๋ยวยิ่งเครียดหนักกว่าอีกที่ผมดูจิตดูนี่ทราบประตรงกับดูถูกสิ ดูไปนะใจมันตื้อรู้ว่าใจมันตื้อนะใจมันคลายออกรู้ว่าใจมันคลายออกนะดูไปเรื่อยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นสังเกตไหมเราสั่งไม่ได้ใจมันจะตื้อเหมือนก็ตื้อเห็นไหมสั่งไม่ได้ตรงที่เห็นสั่งไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตานะแล้เห็นไหมใจไม่คงที่เดี๋ยวก็ตื้อเดี๋ยวก็ไม่ตื้อตรงที่ไม่คงที่เนี่ยเรียกว่าอนิจจ์นะแล้วผมต้องทําสมาธิอะไรเพิ่มอีกไหมครับสมถะ ตอนนี้หัดสติให้ว่องไวอย่างนี้ก่อนนะจิตไหลไปแล้วรู้การที่มันกลับมาที่ลมมันเป็นสมาธิอยู่แล้วรเราเคยชินกับการรู้ลมหายใจคเคยชินในการทำสมาธิรู้ลมงั้นพอเวลาจิตหลงไปพอนึกขึ้นได้มันจะโดดกลับเข้ามาที่ลมเลยเพรนะั้นสมาธิยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากนะให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยถ้าหลวงพ่อบอกให้ทำสมาธิตอนนี้จะเพิ่มความเครีย นะให้ให้ดูไปสบายๆก่อนเดี๋ยวชนานาญแล้วค่อยมาฝึกต่อข อ, ขอบคุณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนั่นร้อยหนึ่งอยู่โน้นพอดีมีมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งอะค่ะหลวงพ่ อ, เ, อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็น้ําหนักลดภายในสามเดือนจาก80ดสิบเหลือเหลือห้าสิบสาแล้วก็ตอนนี้มีเวทนาเยอะมากยังอยู่ยังอยู่ค่ะ แล้วก็เหมือนกับพยายามภาวนาแต่ว่าเพราะว่าเวทนาเยอะมากแล้วก็เลยต้องใช้เมอัฟีแล้วอะคะ่ะอืมก็เลยจะขอเมตตาหลวงพ่อช่วยฝากกันบ้านไปให้เขาอะคะ่ะเขาเคยแยกขันไหมเท่าที่คุยกันเก็คือเขาเคยเขาไม่เขาเคยมานั่งตรงนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาภาวนาดีอืมถ้าเคยภาวนาอยู่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกนะ เวลาจะตายจริงๆแล้วจิตมันก็ดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแต่ว่าเวลาให้มอร์ฟีนมันจะภาวนาลำบากมันจะหลับจบเบลอๆนะเวลามีความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ดูร่างกายไปเห็นร่างกายนอนอยูนะ่เห็นความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นใจเป็นคนดูพยายามให้ใจเป็นคนดูนะฝึกตัวนี้ให้มากแล้วก็อย่าไปหวังว่าจะหาย จะอยู่หรือจะตายไม่สำคัญขอให้มีสตินะรู้รูกายเห็นกายมันนอนไปใจเป็นคนดนะูถ้าใจกังวลขึ้นมาก็รู้ทันไปนะไม่ต้องไปสนใจว่าจะหายไม่หายให้หมอเขารักษาทางร่างกายนะตัวเขารักษาจิตของเขาไวนะ้ถ้าหวังว่าจะต้องหายอะไรเนะี่ยใจจะเครียดใจจะยิ่งกังวลยิ่งภาวนายากแล้วไปเพื่อตายก็ตา ย, ตา ย, ตายขอได้ภาวนานะมีชีวิตอยู่แค่นี้ก็บุญแล้วนะ ให้ทาใจนะถ้าทาใจให้สบายมันจะมีพลังบางคนอยู่มาอีกหลายปีก็มีนะมีหมออยู่คนหนึ่งอยู่นคนปรปฐมตั้งแต่หลวพ่ออยู่เมืองการเลยแกบอกเวีนมะเร็งรักษาแล้วก็หมอด้วยกันก็บอกนะว่าตัวนี้อีกไม่นานนะจะกำเริบขึ้นมาอีกแกภาวนานนะแกสู้จริงๆเลยมาอยู่ที่วัดตกกระไดด้วยซ้าไปเดินเหินจะไม่ไหวนะพยายาม พยายามเดินพยายามเคลื่อนไหวพยายามมีสติทั้งวันทั้งคืนนะฝึกตัวเองอยู่มานี่ต้องไม่รู้กี่ปีแล้วทําลายสถิติโลกไปแนละ้วว่ามะเร็งชนิดนี้ไม่ตายว่ะอยู่มาจนป่านนี้ยังไม่ตายเลยอยู่ที่ใจนะถ้าใจฝอนี่เดี๋ยวตายเร็วด้วยตอนนี้เขาค่อนข้างหดหู่ะค่ะแล้วก็นั่นแหละที่กลัวว่าพอไปรักร่างกายมากไปอยากให้หายพออยากให้หายจิตเลยฟุ้งสัน้น จิตฟุง้งซานยิงไม่มีพลังที่จะสู้นะเพราะงั้นต้องบอกเขานะว่าสลาร่างกายเลยนะหลวงพ่อเคยสอนคนเป็นมะเร็งคนหนึ่งนะบอกว่าจะตายแล้วด้วยซ้ําไปหมอบอกอยู่ไม่กี่วันหรอกมาหาหลวงพ่อวันเสารนะ์หลวงพ่อบอกว่าตายก็ตายถือว่าร่างกายเนี่ยเหมือนดอกไม้เด็ดมาใส่แจกการบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะถวายร่างกายนี้เป็นพุทธบูชาไปตายก็ตาย อย่างดอกไม้เราเด็ดมาใส่ใจกันแล้วดอกไม้เหี่ยวไปไม่น่าเสียดายได้ไดบูชาพระแล้วร่างกายนี้เหมือนกันได้ปฏิบัติบูบชาแล้วจะเหี่ยวจะตายก็ช่างมันสอนอย่างนี้นะแกเดิมนแกทำสมาธิได้แกบอกสมาธิแกแตกหมดแล้วสมาธิก็ทําไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยหลวงพ่อบอกให้ยอมสละร่างกายนะถือว่าเป็นของบูชาพระจะหายใจไปรู้สึกตัวไปจนวาระสุดท้าย บอกอย่างนี้เมื่อวันเสาร์นะพอถึงวันจันทนระ์ะอนนั้นยังเปิดอยู่วันจันทร์หรือ ว, วันอังคารไหนมาละเ้วบอจิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ชนปานนี้ยังไม่ตายเลยนะมีนะถ้าพวกใจฝ่อเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งก็ตายแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งเล่ามีคนไปตรวจร่างกายแล้วก็มาฟังผลนะวันใต้มาฟังผลนะกลางคืนนะั้นมาพักอยู่ที่วัดในเมืองโคราช แล้วก็ออกไปเที่ยวนะเที่ยวเพื่อเพลินสนุกจ้ะพอวันจันไปฟังผลตอนเที่ยงตอนบ่ายกลับมาวัดเนี่ยเพื่อนหิ้วปีกมาแล้วย่าๆหิ้วมาแล้วนะบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งไม่เที่ยวต่อละจากโปรแกรมเดิมจะอยู่หลายวันไม่เที่ยวละกลับบ้านนอกไปเลยไปถึงบ้านก็ตายเลยมะเร็งขั้นที่หนึ่งตายอ่ะคิดดูสิ พวกที่หมอบอกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วนะแยกธาตุแยกขันไปคางคนยังอยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะไปบอกเพื่อนนะว่าอย่าไปรักร่างกายมากที่จิตใจเศร้าหมองสมาธิแตกหมดนะเพราะอยากให้หายกลับครับพ่อคุณคะ่ะอ่ะเก้าสิบธรรการ์นครับหลวงพ่อมาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ปฏิบัติโดยสายไม่เลยมาเลยเนอะไม่เคยครับ เคยฟังซีดีไหมเคยครับเห็นจิตที่เปลี่ยนไปไหมเห็นครับรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไป อ, อรู้สึกบ้างครับรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นรู้สึกเป็นบางครั้งครับบางครั้งก็รู้สึกว่ามันมันตื้อเออรู้สึกไหมว่าทุกข์มันสั้นลงรู้สึกครับนะไปฝึกหน้าแยกธาตุแยกขันได้ก็แยกมันไปเรื่อยครับนะแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านหรือใจสบายแล้วไปเพลินอยู่ข้างนอกนะไม่รู้ทันว่าใจออกนอก ใจไปหลงในความสุขความสบายบให้ย้อนกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจมารู้ทุกข์ต่อไปอีกครับสามสิบเจ็ดอยู่ข้างหลังนะ่ข้างหลังกราบน้ำมศการหลวงพ่อค่ะ ดิฉันมารายงานเรื่องการปฏิบัตินะคะอืค่ะดิฉันปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะติดต่อกันมานานประมาณ5้ถึงหเดือนแล้วค่ะอืบางครั้งก็มีสภาวะเกิดขึ้นในจิตนะคะอืเช่นเห็นโลกนี้จางๆและความทุกข์ความสุขห่างๆออกไปนะคะค่ะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าทําถูกแล้วนะทําดีแล้วนะทําอีก แต่มีข้อต้องระวังเวลามันมีความสุขมากๆนะมันเพลินเราอย่าไปเพลินในความสุขซะ ก, ก่อน ค, <ะ S 1> คอยอรู้กายคอยรู้ใจรู้ <คะ S 1> มากๆค่ะแล้วอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำว่าทำร้อยเปอร์า็ทำยังไงคะฮะทำยังไงร0อยทำนะาไม่ได้มีสติก็ทำทีหนึ่งค่ะสติก็หลงไปเพียงแต่ว่ามีสติให้บ่อยๆร0 0อเซไม่มีหรอกค่ะนะ เราไม่ใช่พระอราหันต์ทำร้อยเซน์ไม่ไดนะ้ที่ทำมาทุกวันนี้ก็วิเศษนักหนาแล้วรู้สึกไหมเห็นความเปลียปล่ยนแปลงของชีวิตหรื อ, อยังค่ะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกสิค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ระวังอย่าไปติดความสุขนะค่ะถัดจากนี้มันจะมีความสุขเยอะแยะเลยค่ะถ้าเราพอใจให้รู้ว่าพอใจในความสุขความสงบความว่างๆค่นะถ้ารู้ทันนไม่ติด ถ้ารู้ไม่ทันจะติดค่ะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะอ่ะตอบไปเบอร์สี่สิบสองนวัตกรรมค่ะหลวงพ่อก็คือจะมาส่งกันบ้านก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกเป็นคนยังไงอ่ะขี้โมโหไหมขี่โมโหค่ะอเห็นจิตโมโหไหมเห็นค่ะแยกได้อย่างระหว่างจิตโมโหกับเราโมโห <พอ S 2> ไม่เหมือนกัน มันจะพอแยกได้แต่บางครั้งมันจะกลืนเข้าไปเป็นคนเดียวกันเออถ้ากลืนเลยก็เป็นเราโมโ ห, โหใช่ถ้าพอมันแยกออกไปใช่ไหมก็เป็นจิตมันโมโหแล้วเห็นอีกว่าความโมโหเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าอันนี้เห็นไหมมันจะมีบางครั้งจะเห็นนะคะดูออกไหมว่าความโมโหเป็นสิ่งที่จิตปลุงขึ้นมาคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ปีร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือพอแบบถ้ามันรู้จริงๆมันจะแบบ ก็จะเห็นนะคะแต่ว่าบางทีเหมือนแบบมันไม่ทันไม่ทันไม่เป็ไนไรนะรู้ตามหลังก็ยังดี <swords S 2> แต่ถ้า <vida S 2> มันไปปนกับเรื่องราวมันจะไม่เห็น<ช>ถ้าเวลามันไปปนเรื่องราวเราไปรู้เรื่องราวเราไปรู้อารมณ์บัญญัติเราไม่รู้รูปนามเราก็ไม่เห็นความโกรธผุดขึ้นมาใช่คะ <c oughs> ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในความคิดเราก็จะเห็นความโกรธผุดขึ้นมาคือ <c oughs> บางทีมันก็มีเห็นความโกรธผุดขึ้นมาแต่ว่าบางอย่างมันก็หยุดมันไม่ชอบ มันไม่ชอบดูให้ออกตัวนี้เความโกรธเกิดขึ้นมาไม่ชอบมันเลยนะใจไม่เป็นกลางค่ะจริงไหมจริงค่ะแล้วว่ามันมีอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันปฏิบัติไปแล้วคราวนี้มันเหมือนมันตั้งใจทํามากเกินไปอะ่ะค่ะมันก็จะแน่นแล้วมันแน่นตลอดล้วออตอนนั้นพยายามจะออกมาจากใ ห, ให้รู้ทันเลยว่าใจไม่ชอบแล้ว เห็นไหมไม่มีอะไรมากนอกจากรู้ทันจริงๆแน่นขึ้นมาเราพยายามจะออกทำไมต้องพยายามจะออกจริงๆไม่ชอบ ถ, ถ้าวิธีปฏิบัติที่ดีนะแน่นขึ้นมาใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบหลุดเลยอไม่ต้องแก้ค่ะทําไมพลพยายามแก้เวลาจิตเป็นอย่างนั้นอยากแก้จิตอย่างนี้อยากแก้จิตเป็นอย่างนี้อยากรักษาจิตเป็นอย่างนี้อยากให้มันหายไป จริงมันรักตัวเองนะมันเป็นอยากดีอยากสุขอยากสงบอะไรเงี้ยให้เรารู้ทันไปจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธอยากให้หายรู้ว่าอยากอนะไรเงี้ยรู้เข้าไปเลยได้ค่ะถ้าใจพ้นจากความยินดียินร้ายใจเป็นกลางเห็นสภาวะทั้งหลายด้วยใจเป็นกลางสภาวะทั้งหลายจะเกิดแล้วดับทันทีให้ดูนะเกิดดับตลอดเวลาเลยมไม่ต้องแก้เพราะมันดับมันเองอ ความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องหาทางละความโกรธแค่มีสติรู้ด้วยความเป็นกลางความโกรธดับไปเองไม่มีอะไรให้ละเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรามีสติอยู่นั้นไม่มีกิเลสให้ละเราเจริญสตินั้นจึงไม่ใช่เพื่อละกิเลสเพราะในขณะที่มีสติจะไม่มีกิเลสหรอกแต่ว่าเรามีสติเนืองๆไปนะั้นกิเลส ท, ทำงานไม่ได้อนุัสที่ตกตะกอนอยู่ในใจเราเนี่ยจะค่อยๆสลายตัวไป งนที่เรามาปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อละกิเลสหรอกแต่เพื่อทำลายอนุสัยภายในใจนะ้ค่อยๆหายไปนะ <Okay. S 1> สลายเชื้อมันไปทำลายเชื้อที่จะพาเราไปผุดไปเกิดทั้งหลายแต่ค่อยถูกทำลายไปเรื่อยกิเลสนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันก็เกิดแล้วก็ดับนะเราก็แค่หลูแล้วของหลูต้องมีกันบ้านอะไรหนูก็ไปรู้ทันใจที่ไม่พอใจอะ่นะเพราะหนักคิดโมโหใช่ไม <c oughs> เจอสภาวะงี้ก็ไม่พอใจหาทางแก้ไขหาทางทํำลายให้รู้ว่าไม่พอใจพอใจเป็นกลางไม่ต้องหาทางแก้ไขเลยทุกอย่างไปหมดเลยเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้น <c oughs> ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางจำประโยคนี้ไว้ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ <c oughs> แต่อย่าจงใจรู้แรงนะเบอกคสี่สิบแปด กับนมันสการคะ่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหกเดือนคะ่ะว่าไงหกเดือนข้าก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปแยกค่าแยกขันนะคะแยกออกไหมแยกออกค่ะแต่ตอนเนี้ยหนูใช้เวลานา น, านไหมกว่าจะเริ่มแยกได้<อ>จากที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็มันอยู่ดีมันก็แยกออกไปเองะคะออ่ะ <damaged> ทำไมมันแยกได้รู้ไมมันเคยได้ยิน ที่หลวงพ่อพูดพูดแล้วใจมันเคยได้ยินนะพอใจมีพลังความตั้งมั่นเกิดขึ้นมันแยกดูเองเลยพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะนำร่องให้จิ ต, ตถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมันไม่ยอมแยกอนะ่ะค่ะแต่ตอนนี้หนูมีปัญหาตรงที่ว่าหนูเหนเ่เห็นทุกข์เยอะอ้าวเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นธรรมเห็นทุกข์แล้วโลกนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่ฝันเลยใช่ไหม โลกไม่ใช่ของดีปัญหาของหนูไม่ใช่เห็นทุกเยอะปัญหาของหนูคือไม่เป็นกลางกับความทุกข์ต่างหากละ่ะ mm hmm. การที่เห็นทุกเยอะนะ่ะพระอราหันต์เห็นทุกถี่ยิบมากกว่าพวกเรานะแต่ทําไมท่านไม่ทุกอ่ะหนูเห็นทุกของคนอื่นนะคะไ mm hmm. รเข้ามาหนูก็ทุกหมดเลยเราอย่าไปอยากซินะทุกมันมาเพราะความอยากนะนึกออกไหมอย่างเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นนะ ไม่อยากให้เขาทําอย่างนี้แล้วเขาทาไม่อยากให้เขาพูดอย่างนี้แล้วเขาเขาพูดมันเกิดจากความอยากของเรานะเราไปแก้ที่ตัวเขาไม่ได้เขาจะทําเขาจะพูดเราแก้เขาไม่ได้นะเรารักษาใจของเราไว้ก็แล้วกันหลวพ่ก็เห็นใจน้าในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์นี่พวกเราขี้ลืมเวลาที่เราผ่านความทุกข์ไปแล้วเราก็ไม่เพลินกับโลกต่อ ถ้าเราคอยเราลึกรู้อยู่ด้วยเราเห็นนรืน่โลกนี่เต็มไปด้วยความทุกข์นะใจมันจะคลายออกจากโลกนะจะเบื่อโลกไม่ยึดถือโลกคนทั้งหลายเนี่ยเห็นความทุกข์ไหมก็เห็นเหมือนกันแต่พอความทุกข์ผ่านไปแล้วก็ลืมไปสนุกสนานต่อไปอีกนล้วก็วนเวียนอยู่ในความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเลยนั้นเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วรู้มันไปนี่แหละคือความจริงเห็นไหมความจริงคืออะไรความจริงคือเราบังคับเขาไม่ได้ เขาไม่เป็นไปตามใจปรารถนานะดูดไปอย่างนี้กระทั่งใจเราเรายัางบังคับไม่ได้เลยใจเขาเราบังคับไม่ได้แน่นอนนะพยายามดูไปสอนมันหน่อยก็ได้เวลาทุกข์มากๆนะสอนตัวเองไปค่อยๆ อ, อ, อบรมมันไปนะใจจะค่อยมีสมาธิขึ้นมาเบอร์ห้าเบอร์ห้านู่นอยู่ข้างหลังแม่ชีรีบวักกระดาษตำราเอามาเยอะแยะมีโน้ตด้วย เอาให้แม่ชีวางาผู้หญิงถึงจะส่งได้นะว่าไงแม่ชีตอนแรกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความโกรธอะคะ่ะออแต่ตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วมันก็แค่นั้นแหละแต่ตอนที่มันตั้งอยู่นี่คิดไปนานเลยค่ะออมันเป็นเกี่ยวกับคนแล้วเราคือต้องจัดการหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรต้อง บัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุน อ, อะไรนะนั่นแหละดีแล้ ว, ลวบัวก็ช้ําน้ําก็ขุนไม่มีประโยชน์สักอย่างเลยบัวก็ใช้ไม่ได้น้ําก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้ยอมรับว่าเป็นคนขี้โมโหค่ะไม่ฉี่รู้สึกเปล่าจิตเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนไม่เหมือนกันหรือว่ารู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกโลกห่างออกไปไหมอันนี้ไม่เข้าใจค่ะแบบ ร, รู้สึกใจเบาขึ้นไหม เบาค่ ะ, ะเบาขึ้นกว่ากว่าเดิมค่ะทุกข์สั้นลงไหมค่ะสังเกตไหมทุกข์พระคิดใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกหรอกห้ามไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้ค่ะดังนั้นทุกข์พระคิดห้ามว่าไม่ให้คิดไม่ได้ก็คิดไปทุกข์ไปจนมันเข็ดไปเองแหะแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบไปจัดการกับมันบอกว่า ไม่อยากให้มันคิดเลยไม่ชอบอะไรค่ะเราจัดการอะไรไม่ได้หรอกเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับการที่เราปฏิเสธความจริงของธรรมะนั่นแหละทำให้เราเดือดร้อนถ้าใจเรายอมรับความจริงของธรรมะได้รู้เลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเลยกลายนี้เราก็ยังบังคับไม่ได้ใจของเราเองก็บังคับไม่ได้ใจยอมรับความจริงแล้วใจไม่ค่อยทุกข์ละ ตอนนี้ยอมรับความจริงเรื่องร่างกายได้มากขึ้นค่ะแล้ดีนะฝึกไปผู้หญิงก็จะมีจุดอ่อนเรื่องของคนอื่นอีกผู้หญิงบางทีจะอย่างแตกี้เนี่ยของตัวเองไม่เป็นไรดูได้ถ้าคนอื่นมาทำอะไรเงี้ยเป็นห่วงก็บ้างอยากให้เขาเป็นงั้นอย่างนี้บ้างอยากเขาไปจัดการบ้างอย่าเป็นเยอะกว่าผู้ชายนะเท่าที่สังเกตให้คอยรู้เอา แล้วต้องมีแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าระวังอะไรบ้างคะแม่ชีก็ดูใจของเราไปมีสติรักษาจิตเรื่อยไปนะไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปแทรกแซงมันมีสติตามรู้มันไปเรื่อยตามรู้ใจของเราเล้วนแต่ของบังคับไม่ได้แม่ชีดูไปอย่างนี้เลยว่ามีแต่ของบังคับไม่ได้นะถนัดดูวนัตตาดูวนัตตาไปไม่ใช่ตัวตนของเราที่มันคับไม่ได้ใช่ดูอย่างนั้นเลย เบอร์ร้อยสิบห้านี่อยู่หน้าห้องเลยนะส่งมาข้างหน้าอามาสการค่ะหนูดูตัวเองมาหลวงพ่อบอกว่าเคยมีกฎมันหายไปนานแล้วแล้วทีวนี้กลับมาสองอาทิตย์นี้มันเริ่มกฎอีกแล้วค่ะห้ามมันไม่ได้ค่ะแล้วหลวงพ่อคะเวลาเราเวลากฎเนี่ย บางทีเราก็ไปเห็นจิตที่มันตั้งมั่นแล้วก็จิตใจมันเบริรบานเป็นมันก็ผุดผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อันนี้ถูกไหมคะหนูพ่อดูไปสินะถ้ารู้อย่างที่มันเป็นก็ถูกต่อหนูเข้าใจว่ากดแล้วมันจะไม่เห็นอะไระคะ่ะ <c oughs> ก็เลยสงสัยะคะ่ะกดแล้วยังเห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นค่ะ <c oughs> แล้วมีอยู่วันหนึ่งเดินจงกร ม, มะคะ่ะมันจะไปเห็นกดก่อนมันเป็นก้อนๆแล้วจิตหนูว่า ไปเผอไปคิดแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ไปเห็นอาการกดๆแต่มันเป็นแบนๆ แ, แต่มันอยู่ข้างนอกอะค่ะหลวพอเราไม่ได้จงใจไปจ้องไว้ไม่ได้ไปจงใจจับมันไว้นะพอเปลี่ยนนะอารมณ์ปุ๊บไปตัวนี้ก็คลายออกตัวกดนี้เป็นวิบากนะเกิดจากการกระทํำกรรมของเราเช่นการบังคับตัวเองบังคับจิตมันก็แน่นขึ้นมากดขึาา้นมะานี่พอเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราลืมบังคับตัวเองแรงกดก็ลดลง หนูนั่งสมาธิไม่ได้หลวงพ่อมันจะก็คือตอนหลังมาก็เลยคิดว่าเออนั่งแค่สิบนาทียีสิบนาทีเอาแบบว่าให้มันสงบสงบก็พอแต่ที่เหลือก็เดินจงกรมเอ า, าคันไ ด, ไดนะ้ให้ทําในรูปแบบนั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้นะฝึกในรูปแบบทําให้เราเนี้ยเป็นคนซึ่งไม่เหล่อแหละไม่โลเลทุกวันเราต้องปฏิบัตินะถ้าใจโลเลทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ได้ผล แต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เรื่องเลยค่ะหนูอะไรนะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ค่อยได้เรื่องก็รู้ทันแต่ว่าไปวิจารณตัวเองว่าไม่ได้เรื่องค่ะรู้ทันตัวเองไป<ะ>การปฏิบัตินัน ง, ง่ายกว่าที่พวกเราคิดนะอย่าเราฟังคนอื่นส่งกันบ้านนะรู้สึกยากเย็นเพราะเราไม่มีอย่างเขาด้วยซ้ําไปรู้สึกแต่ละคนเขา เ, เก่งเราทําไมไม่เป็นอย่างเขาที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอก ความรู้สึกทุกชนิดในใจเราเรารู้ได้อยู่แล้วก็แค่ว่าตอนนี้ใจเรามีความรู้สึกอะไรก็แค่รู้ไปแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปมันแสดงให้เห็นเองง่ายขนาดนั้นอะไม่ต้องทําอะไรมากกว่ารู้ทันนะสภาวะที่เกิดดับแปแต่ต้องรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นใจที่เป็นกลางก็รู้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อรู้รู้ลูกเดียวเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อ รู้ลูกเดียวหรอบางทีก็ต้องรู้นะบางทีฟุ้งซ่านรู้ไม่ได้ก็ทําความสงบเวลาโมโหควรแล้วจะตบเพระก็รักษาศีลอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแต่รู้ลูกเดียวนะกิเลสมาไม้ไหนเราก็ต้องพลิกแปลงต่อสู้กับมันเป็นกิเลสหยาบก็มีศีลไว้ใจฟุ้งซ่านก็ฝึกใจให้สงบตั้งมั่นมีสมาธิไว้จะเดินตัญญาก็แยกธาตุแยกขันไปไม่ใช่ว่า กรรมฐานทั้งหมดมีแต่รู้ลูกเดียวหรอกค่ะแต่เวลาเดินจงกรมมันเห็นเห็นบ้างค่ะว่าจิตเป็นคนดูจงกรมไม่เห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นคนดูฝึกเนี้ค่ะพอพอเห็นแล้วพอจิตมันหนีไปคิดจะรู้ทันเอาคมันง่ายนะง่ายกว่าที่พวกเราวาดภาพไปเยอะเลยพวกเราวาดภาพการภาวนายากกว่าความเป็นจริงมากเลยเราคิดว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรต้องทําอะไรนะทําอะไรแล้วจะดี ทำอะไรแล้วจะถูกทำอะไรแล้วจะบรรลุมรรคผลพอลองทำไปช่วงหนึ่งก็พบว่าทำอะไรก็ผิดนะ <Okay. S 1> แต่ไม่ทำผิดมากกว่างั้นทำไปเถอะ <Okay. S 1> ทำไปแล้วก็พบว่าเออไม่ใช่หรอกนะนี่เป็นความปรุงแตง่ง <Okay. S 1> รู้ทันไปเรื่อยในที่สุดนะไม่ว่าจิตจะปรุงอะไรนะรู้ทันมันหมดเลยในทะี่สุดความปรุงแต่งหลอกไม่ได้เลย okay. ขอบคุณค่ะอ่ะหมดแล้ววันนี้จะกลับบ้านยังเชิญกลับบ้านไป